เมื่อนีเป็นวันออกพรรษาวันสิบห้าคำปกติเมื่อนีเป็นวันเทโวโรหณนะอกับเมื่อออกพรรษาเนี่ยจริงๆเป็นมือเดียวกันนั่นแหละไสบาทแต่มเมื่อเถือก็จะ่ย า, ากร้ายเวียกนันเวนี้ก็เลยง่ายไปเป็นวันหนึ่งคำกับมีนะกับแถวสิตกลงกันเองวันเทโวโรหณะนี่คือเนื้อหาสาระมันขึ้เป็นวันที่ เทวดามนุษย์มารพรมพระอริยเจ้าเห็นกันวะเนาะเป็นวันที่สัตว์ทั้งหลายเนีเห็นซึ่งกันและกันสามารถสัมผัสกันได้เป็นอย่างจังหวะจังสรรเพราะว่าวันนี้คือวันมหาปวนาวันปวนาคือวันให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อนี้มือโบ้ถือสาบาถ้ถือตนถือโต เมื่อออกพันศาเนี่ยพระขาเจ้าสิไปปวารณาไปยอมความยอมตนยอมให้คนอื่นสอนคนอื่นตักเตือนผู้ใดบดีผัวเตือนเมียใดเมียบดีผัวเตือนผัวใดพระน้อยเตือนพระใหญ่พระใหญ่เตือนพระน้อยสินะะพระเน้นขาเจ้าเตือนกันเฮ้ยพระเน้นเตือนบุได้ท่านการตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยผู้ใหญ่ผัวน้อย ผู้อารมณ์ดีผู้อามรมณ์บุดีเตือนกันไดเขาจะเอื่อนว่าวันเท่โลหนะคือวันสามารถเตือนซึ่งกันและกันได้พันศาหน้อยก็เตือนผู้ใหญ่ได้พันศาใหญ่ก็เตือนเด็กหน่อยได้นะมือเนี่สิบติดอามรมณ์บวถือโทษโกรธเครืองซึ่งกันและกันเขาจะงอว่าเปรตกระเหลียวเห็นเทวดาเทวดาวก็เห็นพระวันที่พระพรุทธเจ้าเสด็จลงที่เมืองสังกัดสนคร เป็นไปจำพรรษาอยู่ดาวดึงหรือพรรษาเด็จลงมาออกพรรษาแล้วนะวันนั้นทําให้เทวดาสีเนนเาเาเส่เห็นกันกับมนุษย์อืเทวดาเนี่ยมาส่งมาพระพุทธเจ้าสี่เห็นกันกับมนุษย์มนุษย์ก็สีเห็นเทวดาคือคนไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นมีทั้งเทวดามีทั้งมนุษย์ธรรมดามีทั้งคนดีคนซัวเขาสิเห็นกันนะนะเมื่อนั้นนี่คือกันละ่ะ มือนี่เขาหยุดจากการจากงานจากเวียดจากงานมากถ้าบุญตำทานเทวดาก็เห็นพระก็เห็นคนดีก็เห็นค้นสัวก็เห็นแต่ว่ามือนี่เป็นมืออภัยมืออภัยอภัยอภั ย, ภยบกโกรดบกถือโบอถือสาบกโกรดโบเครื่องไผ่ตั้งใจเห็นบริสุทธิ์สะอาดจิตใจพองใสสงบนะท่าะจิตใจเบิกบาน ไผ่ว่าได้กะสร้างกะสร้างกะสร้างบ่ละกะสร้างสร้างพูดสั้งคิดสร้างทำอันนี้กะสร้างธรรมะเป็นเรื่องธรรมะกะสร้างธรรมะแล้วจะไดนกะสร้างปล่อยว่างได้ขั้นปล่อยว่างได้เขาเอิ่นว่าวันเทวโลกนาบ่ละเห็นเห็นกันเห็นหนาโอ้ผู้นี้ค่อยห่างเนาะบ่ถือสาโอ้ยผู้นี้คยโกรธเครื่องเนาะบ่ถือสาโอ้ผู้นี้มันขี้ขาดเนาะมันเบาหยากเนาะบ่ถือสา ผู้นี้เป็นพิษเป็นศัตรูบือสากันหมีกับไม่สะคอร์เถือกันหมากับแมวเถือกันนี่นะคนเคยพิษกันบือสากันเนี่ยเขาอ่านว่าวันที่โวโลนะโมแมนมึงเอาพระเอาเข่าไปใส่บาดในพระหลายๆที่หลายๆรอบแล้วเป็นวันทนี่โวโมเมนตด้อื่ยส่วนมางเขาคือทิงสันวันที่โวคือวันไปใสบ่บาดโมแมน คือวันให้อภัยซึ่งกันและกันมนุษย์เทวดาอินพม ย, มย่มหักสมณะชีพา ม, มองเห็นซึ่งกันและกันเราหลังจากที่พระเพิ่นเขากำบฐานมาหลังจากสมณะชีพามหลังจากดาบทฤือสีทั้งหลายจำภาษามาหนึ่งเดือนสามเดือนเลยเมื่อนี่มาพอกันมาเจอกันย่มกัมาทั้บุญปิดปิดราชการในพร้อมพระก็เอา้าเปิด ืเปิดโตละมุนอีก็อะไรสินะมาพอกันเนี่เห็นกันอภัยซึ่งกันเลยกันมีปัญหาเนี่ยเขาบวถือโทรโกรธเครื่องกันและย่อมตนที่จะพูดปฏิบัติหลับฟังความคิดเห็นเพื่อเอาไปแก้ไขในโอกาสต่อไปพอต่อไปแล้วออกภาษาละผู้นั่นก็ไปทั้งนั้นผู้นี้ก็ไปทั้งนี้อืมพระกะสุขาละเพศอืบางองค์มีเวลาเนาะเป็นราชการนะเนี่ยยุ่งยากาย ยุง่งยากทีเด้ยวราชการฉันผมยินทุระหลายข้ารากะเอ่ไปทุดงรับกระินแน่ยังเสียนค่อยๆสึกขาแลเพียรไปด้านั้นมือนี้อภัยให้ใจเฮาใจเฮาวันคืดเจ้าไหนละ่ะคนเคยขี่ขานกะไปแก่ไขมันซาคนนอนตื่นสายกับไปแก่ไขซาคนเบือ่อนายกับแก่ใส ซ, ซา มีปัญหาเนะี่ไปแกะไสไปเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิต เ, เจ้าของแนี่ยเอาไพ่ชีวิตเจ้าของน้าแนี่นั่นก็เป็นการเทวโรโลขณาแบบหนึง่งคือทิมมัดโตบ่เถอไปเทมัดโตเทมดใจความซัวมวืึงนี่ทิมให้บดบ่เถอะเบามาใส่เจ้าของมาใส่ใจเจ้าของออืเนาะลงผูบ่องงดกหนิดบ่เบื่อบ่ไนามืึงนี่นะเขาเอ่ยว่าเทวโรเทมัดโตเทมัดนาตักนันนะ่ะะแต่เท ความชั่วออกความดีเก็บไว้นะวระเดี่ยววันเทโวูโลหะนะอย่าไปจําว่าเทโวคือไปใส่บาตพระเลาย่องโมเมนได้อันนั้นสิบโมมีประโยชน์อย่าง ก, กับคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นมาเถอะงาิกันละได้เทโวลรอก็ไ ะ, กะไรโม น, านาม่งาดข้าวงาดหน้างาดขนมนมเนยญาติเข้าต้มขนมเพ็ดกันอีกพระกูได้น้อยมึงได้หลายอย่าเพาะพันนันป่านโมเมนนั่นก็ได้อยู่วัดโสบรัดบ่มีแบบนั้นแม่เนี่ เทศใส่บาตรใส่พกหรอกอะเก็บใบปกตินะเาไปคอยทยอยออกไม่เพิ่นสันไปทำต้องปฏิบติบะมีว่าได้เป็นของเจ้าของผู้นี้สิห์หอไปกุฏิบัไดพอสันเขาแล้วเขาก็ตรวจ บ, บาทให้ล่างไอ้ที่ออกอยู่นี้บาทเก็บใบในนี้ตรวจกระเป๋าเนี่ยบะมีแล้วจะมาอยู่นี่ก็มีดจะผู้จอยอ้วนแต่จะเอาวาดผู้เดียวเอ า, เอาพอบะมีผู้ใ ด, ดตรวจเตะผู้อื่นตรวจแล้วนฝึกใหม่ลุงผู้สั่งเงี้ยสิ ไม่ได้ตรวจนะทอกมีขวดน้ำพึงเข้าไปไม่ไดมีในจักหน่อยหูก็เริ่มเห้าวลงมาแหละกินน้ำพึ่งายที่เริ่มบินได้ก็พึงแหละนั้นนั่นกามือนีกับมือทําปุ้นกําความดีมือโบ้ถือสาโบ้ถือโทษโกรธเครื่องกันเด้อเหตในใจสบายเทวาดาบ้ถือโตมือนีนะท็อกเทวดาก็บถือโต อินพมยมยักบถือโตพระบถือโตถือตนค้นสัวคนดีคนเกียดค้านคนจันทานแพทย์สูตรกรรมกรเนี่ยไม่มีวันนี้ไม่มีตัวมีตน ม, มีแต่รูปกับนามเขามานน่นี่ยเททิมบัดเทใจออกบัตนะบ่กมีอย่างเอินว่าวันเทว โ, วโลคนะเจะ้านอยจะไปทำบุญทำทานแตใส่บาทเสีอย่างเทน้ำใจน้ำเด้อ เทด้วยใจมันหรอกบางคนมาใส่บาตรดูเทบ่อะไรเอาเมื่อบ้านดีกับปานันอันนี้มันบ่เทโวอันนี้เทกับพื้นคือหัวเต่านี่มันจท่าหัวเกาใหอยอะไอ่อๆเขาเขาบ่ดีบ่งามเอาถวายท่านเด้ออันนี้